ติดเกมมากแลยนะติดเกมออนไลน์มากไปกรุบอยู่กับร้านอินเทอร์เน็ตทั้งวันทั้งคืนจนปรากฏว่าลูกอายุสองขวดนี่ตายนะข่ า, ขาวก็เป็นทีแรกก็เป็นข่าวว่าหนุม่มคนนี้ก็สารภาพว่าไปกรุบ ก, กับอินเทอร์เน็ตไลายนอนเทอร์มีสิบวันไม่ได้ให้อาหารลูกเลยลูกชายวัยสองขวดก็เลยตายคือตายเพราะขาดอาหารแต่เพียงเท่านี้นี่มันก็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 แต่ลูกที่ร้องร้องร้องกลัวราคาญอันนี้เรื่อกเป็นมานขวางความสุขก็เลยเอาผ้าอุดปาุดจมกูกเด็กสองคนก็เลยตายตายเพราะขาดอาหารทเหตุตายก็ขาดลมหายใจไม่ใช่เพราะขาดอาหารตาลูกเพ่จะได้ไปเล่นเกมออนไลน์ไม่น่าเชื่อนะว่ามันเกิดขึ้นในผู้ที่มนุษย์เรียกตัวว่าเป็นผู้ที่มีความเจริญ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 เลี่ยงลูกนะที่ร้องโหยร้องไายรบกวนทําให้ไม่มีสมาธิดกการเล่นก็เลยจัดการฆ่าเขา้เทียบกับข่าวสองขานี้ก็มันก็ ม, นกมันก็น้าน่าอานาถในมือนนั้นงูมันพยายามมันยอมตายเพื่อลูกของมั น, มนแต่ว่าคนเรานี่ยกับฆ่าลูกเพื่อที่ได้ไปเล่นเกมออนไลน์ ค่าเพื่อเอามาลํดกนี่ก็หนักนาสาหาัสเลยนะแต่ว่าค่าเพื่อเอามืประกันนี่ก็นวะแยะและนี้ค่าเพื่อที่ได้ไปเล่นเกียมออนไลน์นะ <c oughs> ชื่อมันมง่ายมันก็ชื่อเลย ว, ว่าเกนออนไลน์นี่มันน่ากลัวมากมันเป็นอัมบาเยามุกที่น่ากลัวจะประพอกั บ, บเหล้าแล้วก็ยาเสพติดหรือยาบ้าเราเคยได้ยินนะคนติดยาบ้าเราค่าพ่อค่าแม่แต่นี้ติดเกนออนไลน์ก็ฆ่าค่าลูกได้